ยาทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวไวโตที่นังเปตานังอุปกับปฏิทานที่ทานุติดให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิจจิตังปฏิตังตุมหังขอให้ตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว ขิปเมวสมิชจตุจงสำเร็จโดยชบพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีชโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีประวะตุสัพพมังกลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักคันตุสับปเทวตา